อันนี้ทรเจ้านี่ท่านตรัสถึงบุคคล4ี่จำพวกนะว่าเนี่ยมีปรากฏในในโลกนี้มีคนอยู่4ี่จำพวกนี้จำพวกแรกนะพระเจ้าท่านตรัสว่าเป็นบุคคลที่ดํารงชีพด้วยผลของความหมั่นความหมั่นนี่ก็คือความขยันหมั่นเพียรการอะไรอะตั้งใจทํำหรือว่าพฤติกรรมในปัจจุบันนะที่กําลังทําอยู่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 อันนี้เป็นผลของปัจจุบันนะทำกรรมปัจจุบันเนี่ยใครที่เรียกว่าทํากรรมปัจจุบันเนี่ยทำ ก, กรรมดีนะทำกรรมดีที่เรียกว่าโอ้โหทากรรมดีเนี่ยมากพอทํากรรมดีที่เรียกว่ามีผลได้สูงนะในในใ น, ใ น, ในปัจจุบันชาติชาตินี้นะปรากฏว่าโอ้โหเราพยายามอะไรอ่ะ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 คืออะไรก็คือวิบากรรมนั่นเองนะถ้าถ้าเรียกเต็มๆก็คือวิบากกรรมเพราะคาว่าวิบากแปลว่าผลถ้าเขาเกียนแบบเป็นภาษาไทยคําว่าวิบากกรรมก็คือผลของกรรมเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเราไม่ได้ดํารงชีพอยู่ด้วยวิบากรรมที่เป็นกรรมในอดีตโดยเฉพาะกรรมในอดีตเนี้ยนะยิ่งถ้ามันเป็นกรรม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 ที่จะทาดีแล้วผลดีเราก็เห็นนะเห็นผลดีที่เราทำเป็ น, นว่าเออมันทาให้จิตใจเราก็ดีนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็ดีเนี่ยเราดารงชีพอยู่ด้วยกรรมสามเราเนี่ยดีหมดเลยเพราะนั้นกรรมปัจจุบันเนี่ยเราดีมากพอจนกระทั่งกรรมเก่าที่ไม่ดีที่จะมาเล่นงานเราหรือจะมาะมา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 ไปหาสถานที่นะโอ้หต้องผลิตหรือว่าต้องไปซื้อเข้ามาเสร็จแล้วตรงไหนต้องมานั่งขายของอสมุดนะสมุิหรือว่าบางทีก็อะไรอ่ะแมมกว่าจะขายได้นต้อง อ, อะไรคือคือสถานที่เราเนี่ยแม้ว่าทำเลมันจะอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่โอ้โหเราก็ขายแบบอะไรอ่ะเาเรียกอะไรบริการถึงที่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 ยังไม่มาหรือว่าบอกแล้วว่ามันน้อยอุปสรรคก็มีนะแต่เราก็สามารถที่จะสู้แล้วก็เอาชนะจนกระทั่งแม่ดีขึ้นสบายขึ้นเป็นสุขขึ้นนะพัฒนาขึ้นอย่างเี้ยอย่างเี้ยคือกรรมใหม่ที่ดีมากพอนะแล้วกรรมเก่านี่นะมีผลที่อ่อนกว่ามีผลที่ได้วกว่า คุณนึกเป็นเรื่องๆก็ได้คุณอาจจะนึกรวมๆทั้งหมดบางทีมันนึกไม่ออกนึกเป็นเรื่องๆ อ, อย่างบางคนเนี่ยอ่าบางคนสมอว่าเรื่องเรื่องอาชีพเรื่องการาการทำงานบางทีเราจะสังเกตเลยว่าเออตอนนี้นี่เราทำงานโอ้โหขยันทำดีนะแล้วเราก็อะไรตั้งใจทางานก็แหมเดินได้ดี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 แต่ตอนนี้เนี่ยบอกแล้วอันมาพูดแง่ดีก่อนวิบากอันนี้เป็นวิบากบุญเพราะจะพูดในแง่บวกก่อนวาะวิบากบุญมางี้เป็นไงยิ่งโอโหมาก้อนโตมาแรงบุญบุญหล่นทับบุญหนักบุญหลายบุญอะไรนะหลวงตาชอบพูดบุญหนักบุญหลายบุญมาก นะคือปรากฏว่าโอ้โหปัจจุบันนี้บุญหนักบุญหลายบุญมากพวกนี้หล่นทับและโอ้โหบางทีนี้รู้สึกไม่ได้ไปทําอะไรสักเท่าไหร่เลยนะโอ้โห ไ, ไอ้นุ่นก็ลอยมาไอ้นี่ลอยมาบุญนะไม่ใช่ถ้วยชามไม่ใช่แก้วนะ้ําไม่ใช่ขวดพลาสติกนะอันนี้บุญจริงๆโอ้โหจะไปซ้ายจะไปขวาจะไปไหนแม่อะไรอะไรก็โอ้โหดีไปหมดเลย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 นะอย่างเช่นตอนที่คุณสุขสบายอย่างประเภทที่หนึ่งที่ตะกี้อธิบายไปแล้วโอ้โหคุณรู้หลยคุณจะได้ดิบได้ดีเนี่ยโอ้ทาไมเหนื่อยจังหรืออย่างพ่อบอกว่าพ่ อ, พ, อพ่อท่านเป็นเหมือนอะไรโหชีสัตว์แบบเออหมากลางตลาดอะไรเงี้ยผู้ที่ ร, รู้รู้เรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่สงสายหรอกว่าเออถ้าจะอย่างนี้นี่มันต้องภาคเพียนมันต้องทําแล้วถึงจะได้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 โลกีเนี่ยนะที่เป็นวัตถุเป็นข้าวของไปแรงต่างต้องได้เหมือนกันหมดไม่เหมือนกันแนะ่อันนี้ที่พระเจ้าจะตรัสไว้เยอะแยะเลยถึงความแตกต่างที่ว่าได้ไม่เหมือนกันแล้วแต่บุคคล น, นั้นนะเพราะนั้นนี่นนี่พูดในแง่วัตถุแง่ข้าวของแง่อะไรต่างๆแต่ถ้าเรื่องจิตใจว่าพระอรหันต์ท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรมีคนเอามาให้ใช่ไม้มหรือไม่มีมาให้ ถ้าไม่เดือดร้อนนี่เออแต่ต่างกันแน่แหละคนนึงได้มากอีกคนหนึ่งได้น้อยต่างกันแน่แต่ทั้งสองคนนี้ที่เหมือนกันคือไม่เดือดร้อนมีมาให้มากก็ไม่เดือดร้อนมีมาให้น้อยก็ไม่เดือดร้อนเพียงแต่พระเจ้าท่านกระตือนไว้ต่อให้เป็นพระลาหันก็เหอะลาบยศสารเส ร, ริญอะไรพวกนี้นี่เป็นอันตรายได้นะต้องระวัง นั่นเป็นคําเตือนที่พระพุทธเจ้าท่านจะเตือนไว้นะอันนี้สองประเภทแล้วนะปรับสมองให้ดีๆเพราะว่าตอนนี้กำลังพูดพูดได้แง่แง่ดีอันนี้เราลองดูประเภทที่สนะเป็นบุคคลที่ดำรงชีพด้วยผลของความหมั่นทั้งดำรงชีพด้วยผลของกรรมโอ้โหขยันทาดีพยายามตั้งใจ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 หนุนให้เรายิ่งอเราก็ได้ทําดีด้วยนะเสร็จแล้วในขณะที่เราทําดีนะี่นะโอ้โหกองเก่าก็มาหนุนเราขึ้นมาอีกทําให้เรานี่ยิ่งทําดีมากเลยโดยเฉพาะคราวนี้ทําดีในเรื่องของกายกรรมเรื่องของวัตถกรรมเรื่องของมโนกรรมปรากฏว่าเราพยายามนะยิ่งบางคนเนี่โอ้โหมาอยู่วัดได้มาถือศีลได้มาปฏิบัติธรรมได้เสร็จแล้วยังไง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 ช่วงนี้ถ้าสมมุติว่านี่เป็นคนคนเดียวกันหมดสมมตินะถ้านี่เป็นคนคนเดียวกันหมดเนี่ยลักษณะที่สามนี่จะเป็นลักษณะที่เข้าข่ายอาริยาบุคคลละคือพูดง่ายๆว่าทั้งกรรมใหม่เห็นไหมกรรมใหม่เนี่ยเราก็ทำดีกรรมเก่าเราโอ้โหดีก็หนุเนเรื่องมาเพราะฉนั้นดับเบิลดีเลยตอนนี้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 ตั้งตาบาก็โอ้โหสอบพานสอบพานถ้าได้เป็นเกเร ก, ก็โอ้โหเกเรสีเกเรสีอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันทําแล้วมันอทั้งสําเร็จทั้งอะไรมันดีดีขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นโอ้โหแล้วเรานี่มีแต่สภาวะจิตที่มันดีๆทั้งนั้นเลยพูดง่ายว่าตอนนี้เนี่ยไอ้กรรมเลวกรรมชั่วกรรมเก่าอะไรก็แหมยังไม่ค่อยมาซะด้วยนะเออมันมีแต่ดีๆเข้ามาเข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงเนี้จะเป็นช่วงสภาวะที่โอ้โหดีมากๆ แม้ว่ายังไม่ต้องถึงเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามเนี่ยแหละแค่บางทีคุณมาวัดใหม่ๆกูอยู่ในสภาวะที่โอ้โหจิตใจก็ดีหม้แล้วมันมีพลังมันมีไฟพร้อมเลยนะพร้อมที่จะทำอะไรดีๆเขาเรียกไปล้างถ้วยชามก็ไปล้างงอกๆๆอกไม่ถือสาไม่โกรธไม่รู้สึกว่าโอ้นี่เขามาใช้เราโอ้ไม่เลยคิดดีๆทั้งนั้นเลยนะโอ้โหดีๆดีๆบุญหล่นทับนะหรือ บางทีเขามาติเอาเขามาว่าเอาเนี่โอ้โหนี่เขาที่ขุมทรัพย์ให้กับเรา <c oughs> เขาคิดแบบแม่อิ่มอกอิ่มใจเที่ยวไปปรนน่าต่อใครต่อใครว่าถ้าทําผิดพลาดอะไรเดือนได้นะบอกได้นะเอจิตใจนี่โอ้โหดีตลอด ท, ทั้งทั้งที่แบบว่าอลําบากนะนะต้องอดทนเหมือนกันต้องต่อสู้ต้องอฟันฝ่าอุปสรรค โดยเฉพาะกิเลสเราเองเนี่ยเราก็อดทนต่อสู้นะแต่จิต ด, ดีจิต ด, ดีเนี่ยถึงบอกว่ากรรมใหม่ก็ดีกรรมเก่าก็ดีนานี่อยู่ในสภาวะช่วงนี้จนกระทั่งถ้ามาถึงระดับที่สี่ดำรงชีพด้วยผลของความหมั่นก็ไม่ใช่ดำรงชีพด้วยผลของกรรมก็ไม่ใช่งงมไหมฮะ <c oughs> งงไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรอือให้พวกคุณช่วยคิดบ้างสิเฮ้อันนี้คืออะไรอเพราะว่าตอนนี้เราพูดในแง่ดีอยู่จะให้เห็นเลยสภาวะอย่างนี้นะพูดง่ายดำรงชีพด้วยความหมันคือคือกรรมปัจจุบันเนี่ยคุณทำจบแล้วคุณทาจบแล้วเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นแล้วคราวนี้ของใหม่อะไรยังไงนี่ไม่จาเป็นแล้ว ถ้าคุณทําพวยง่ายคุณสอบจบแล้วได้ปริญญาแล้วไม่ต้องเรียนต่ออีกก็ได้เพราะจบแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นใดๆล้ถึงบอกว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะไม่จําเป็นนี่เพราะว่าถ้าถึงขั้นถ้าอาหารเรียนจบหลักสูตรแล้วอะไรอะไรคราวนี้ไม่ไม่สามารถมาอะไรได้แล้วจริงวิบากกรรมกรรมเก่า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 ทุบตีจนกระดูกแหลกเหลวเลยนะฆ่าเนี่ยฆ่ายัางไม่ใช่เบาๆอะ่ะฆ่าอย่างทารุณทีเดียวไม่ใช่เอามีดมาฟันไม่ใช่อะไรนะใช้ไม้ทุบตีเนี่ยจนกระทั่งกระดูกแหลกนะจึงจะถึงแก่ความตายนะซึ่งซึ่งตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็บอกพระโมคคัละนะก็เป็นผู้ยอดเยี่ยมเก่งในทางลิศ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 นะคือคือพูดอง่ายว่าทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่จบไม่มาม่ไม่ม า, ม, ม, ม, ามีผลอะไรละทั้งทงที่จริงๆกรรมเก่ายัางตามเล่นงานอยู่แต่ไม่มีผลอะไรแล้วนี่ต่อท่านเนะี่ยและถ้าท่านบรินิพานด้วยกรรมเก่ายิ่งหมดสิทธิ์ตามเลยเพราะถึ ง, ถ, งถึงได้บอกว่าดำรงชีพด้วยผลลกรรมก็ไม่ใช่ทั้งๆ ท, ที่ในสภาพความเป็นจริงเ่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่ มาไล่เนื้อคือกรรมเก่าที่ที่เป็นวิบากกรรมที่วิบากบาปก็ตามเล่นงานตลอดต่อให้เป็นผู้เจ้าใช่ไหมต่อให้เป็นพระพุทธเจ้าวิบากบาปก็ตามเล่นงานพระเจ้าก็ยังต้องใช้นี่ต้องใช้นี่แต่ที่ฉันใช้ไปนี่คือพูดง่ายว่าไม่ทุกไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรใช้ก็ใช้ไปเพราะฉะนั้นถึงถึงถึงได้ใช้คําว่าก็ไม่ใช่คือถ้าไม่เดือดร้อนอะไรล้ว นะอันนี้อันนี้พูดแต่ในแะง่แง่ดีไปแล้ว